เวลาเราธรรมชาตินะเราก็อย่างพระนะหลังจากบทธรรมชาว้วก็สวดต่อบทสาหรับพระหรือสามเนนะที่เราก็แปลความเหมือนนะประมาณว่าเราทั้งหลายนะูิถีชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธเจ้านะมันก็เป็น เป็นคำกล่าวที่ที่ก็ดูแบบทำให้เราได้กลับมาทบทวนชีวิตหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราจริงๆนะว่าการการใช้ชีวิตของเราที่เหลือเนะี่ยตอนนี้แล้วก็อนาคตต่อไปเราได้ชีวิตอุทิศให้แก่พระพุทธเจ้าจริงๆไหม ถ้าเราอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าจริงๆการกระทาของเราทั้งหลายก็คงกระทาที่ไม่ใช่ทาเพื่อเห็นแก่ตัวนะไม่ได้ทําเพื่อคิดถึงตัวตนของเราคิดถึงผลประโยชน์อะไรที่มันเป็นการสนองเกเรตแต่เราทําอะไรก็แล้วแต่เพื่ออุทิศเนะอุทิศ กำลังกายกำลังสติปัญญานะกำลังใจทั้งหมดของเราเพื่อจะเรียกว่าเป็นพุทธบูชาก็ได้นะเป็นการปฏิบัติบูชาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเราทำแบบนั้นดนะ้จริงๆนะมันก็เหมือนเราทำเพื่อนะเพื่อเป็นการถวายนะ ถวายพระพุทธองค์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อนะเพื่อการสนองกิเลสส่วนตัวของเราเลยนะถ้าเราพิจารณาได้แบบนี้จริงจริงนะก็มันก็เป็นบทที่เตือนตัวเราได้จริงจริงว่าชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยเราจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธเจ้านะจริงจริงไหมเนี่ยนะถ้าเราทำได้แบบนี้จริงนะมันมันจะเป็นพระรังมากนะ มันจะเป็นพลังในการทําความดีมันจะเป็นพลังในการนะ่บำเพ็ญความเพียรเป็นอย่างยิ่งเลยเนะี่ยถ้าเราทําแบบนี้มันก็ชีวิตของเราก็จะเรียกว่าจะไม่หลมทิศผิดทางนะนะแต่ก็ต้องเข้าใจคําว่าอุทิศชีวิตอนะให้กับพระพุทธเจ้าเนะี่ยอืม ต้องเข้าใจว่าผู้พุทธเจ้าท่านสั่งสอนหรือว่าท่านต้องการชี้ให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเดินไปทางไหนหรือว่าทาอะไรลิ่นที่พระเจ้าท่านสอนก็คือท่านชี้ทางที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการสั่งสอนสาวบกทั้งหลายก็คือ ให้ไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์นะอันนั้นถ้าเราจะทำตามคําสั่งสอนของพระเจ้าคือเราก็เดินตามทางเส้นนี้แหละนะทางที่จะกำลังเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะแล้วก็ทางที่จะสู่จุดหมายปลายทางคือความไม่ทุกข์นี่แหละคือการเรียกว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเนาะถ้าเราจะอุทิศชีวิตตรงนี้เราก็ เราก็ต้องเดินตามทางนี้นะเดินตามทางนี้แล้วก็ถ้าในระหว่างทางที่เราเดินเราสามารถช่วยคนอื่นได้บ้างนะเกื้อกูลประโยชน์ต่อค น, คนอื่นหรือว่าสำคัหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไปด้วยแต่มันก็อย่าไปแต่ก็มันก็จะมีบางคนที่เขาตีความการอุทิศชีวิตนะให้กับ พระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าให้กับพระศาสนาก็ดีนะบางที่บางเขาอาจจะเน้นแค่การวิธีชีวิตในเชิงเราทำบุญนะหรือว่าเราคล้ายๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เน้นเป็นเชิงบางเพ็ญบารมีนะบเพ็ญบารมีเช่นทานบารมีก็ดีหรือว่าการที่มีจิตอาสาช่วย นะทําการทํางานต่างๆนะเป็นการเพิ่มบารมีนะที่จริงมันก็ดีนะนะในห ล, หลายๆที่เขาก็เอาเรื่องคนนี้ยมาเป็นตัวกําลังในการทํางานนะอุทิชนะงงศชีวิตเพื่องานพราะศาสนาอุทิศชีวิตเพื่อบําเพ็ญบารมีต่างๆซึ่งที่จริงมันมันก็ดีนะดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้า ถ้าเราพิจารณาดีๆสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนั่นแหละท่านสอนให้เราประพฤติตัวของเราเนี่ยหละให้เดินตามทางที่จะออกจากความทุกข์ถ้าเราสามารถเดินทางทางสายกลางนี้ได้นะก็ชื่อว่าเราทั้งบำเพ็ญบารมีต่างๆครบไปในตัวของเราเองด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็ ได้การฝึกฝนจิตใจของเราให้ให้เข้าถึงนะความพ้นทุกข์นะถ้าพระพุทธ เ, เจ้าท่านเห็นนะท่านก็คงจะสรรเสริญบุคคลที่ทำเช่นนี้แหละนะบุคคลที่ฝึกฝนตนอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเนียกว่าฝึกฝนตนนะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะท่านก็จะมองแล้วก็จะ สนเสิญอยู่ในใจว่าเออบุคคลคนนี้แหละที่เป็นเป็นสาวกของเราจริงๆเนาะเพราะว่าสาวกของพระเจ้าจริงๆมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินี่แหละอย่างที่เราได้สวจตอนท้ายชื่อว่าสิกขาและทำเนาะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของของพิสุทั้งหลายพิสุก็อย่างที่เคยพูดไปว่าพิสุคือผู้ที่ เห็นภัยในวัตฏะสงสารนะเห็นภัยในการเวียนว่ายใเกิดเห็นภัยในความทุกข์เห็นภัยในในการที่เป็นธาตุของกิเลสตัณหานะอันนี้คือพิสุขนะเมื่อเราเป็นผู้ที่เห็นภัยแล้วเราก็ต้องนะต้องดีกออกจากภัยนั้นนะหรือว่าไม่ให้ภัยนั้นครอบงมจิตใจให้ได้เนะีนะ่ยเราก็อาศัย สิกขาและทําเป็นเครื่องเล่นชีวิตนสะิกขาก็คือสิกขาบทสนะิกขาบทก็คือคือข้อวัดปฏิบัติแล้วก็วินัยนะนะั่นแหละเรียกว่าสิกขาพูดธโยยศหลือจะแปลความก็คือการศึกษานะการศึกษาการเรียนรูนะ้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะเป็นการสิกขาไตสิกขา อันนี้ก็แล้วก็มันจะทําให้การเจริญในธรรมของเราก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพวกเรานะเราเลี้ยงชีวิตนะภายนอกก็ด้วยปัจจัยสี่นะแต่จริงเลี้ยงชีวิตภายในใจของของคริสต์หรือนักบวชหรือว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจริงๆเนะี่ยคือสิกขาและธรรมนี่แหละถ้าเรา พิจารณาดีๆนะเราเอาตัวนี้แหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกปัจจัยสี่ภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเอาตามมีตามได้เอาตามที่ญาติโยมเขาเขาจัดสรรจัดการใหนะ้ถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะการกินของเราก็จะมักน้อยสันโนดษนะ อะไรก็ได้ที่ย่ายมเราจะมาถวายนะไม่ต้องดูรา้าไม่ต้องมากมายนะหรือถ้ามันมีดูรา้าถ้ามันมีมากมายเราก็ต้องรู้จักพิจารณาให้มันสมควรไม่ใช่สมไม่ใช่แบบเพื่อสนองนะหรือว่าเพื่อบรรเทาให้มันมากมันก็จะเป็นโทษเป็นภัยนะ บางทีก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องมีข้อวัดของเราในการประพฤติปฏิบัตินอย่างผมก็เคยแบบบางทีเคยไปดูที่อื่นนะบางที่ภูบาอาจารย์ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเวลาถวายอาหารถวายปานะอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายนะบางทีเราก็เห็นนี่ยว่าโอ้ใจมันก็อันนี้ก็อยากฉันอันนี้ก็อยากฉัน ปกติเขาไม่ค่อยได้ฉันและเยอะมากมายบางทีเราหยิบเล็กหยิบน้อยไปโอเยอะเหมือนกันนะตอนฉันไปก็แรกๆ ก, ก็มีความสุขนะจากการไม่ฉันหลังๆไปก็เป็นความทุกข์เพราะว่าฉันไม่หมดนะั่นแะแต่ครูบาอาจารย์บางที่ท่านก็ดีนะท่านก็แบบประเภทว่าดูว่าลาบสักการะเรื่องพวกนี้ท่านเยอะ แต่ท่านก็ต้องคอยมีตัวที่คอยดัดนิสัยลุกสิทธ์นะเช่นท่านฉันไม่นานนะักนะประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีเนะีนะ่ยก็ฉันแบบไม่นานดังนั้นอาหารที่ที่มันเยอะมันก็จะคนก็ต้องพิจารณาว่านะต้องฉันให้มันไม่ให้นานเกินไปดังนั้นะก็ต้องดัดอาหารให้มันไม่มากเกินไป เพราะบางที่นี่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านฉันอิ่มแล้วลูกศิษย์ก็ก็ต้องเลิกฉันไปพร้อมเลยนะบางที่เราไม่เลิกฉันก็เดินกวาดนะเดินถูนะศาาไล่เลยแต่จริงเจตนา ง, ง, ง, งท่านคือไม่ให้เราติดในรสชาติของอาหารหรือว่าไม่ให้ติดในการเชิงที่จะที่จะแบบเป็นทาตของของกิเลส ในเรื่องการชันเนาะแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ก็ให้เรารู้จักพิจารณานในเรื่องปริมาณนะแล้วก็ความเร็วความช้าก็ให้พอดีพอดีในการทา น, นที่จริงมันก็จะทำให้เรารู้จักพิจารณาว่าเออเรียกว่าการะเทศะนะให้มันถูกต้องตามตามสถานที่ตาม สิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆที่จริงทุกอย่างอ่ะยิ่งสมัยนี้นะเจีวรเครื่องใช้ต่างๆมันก็เยอะมากขึ้นนะมันก็เยอะมากขึ้นแต่เราจะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะคุ้มค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจรารณานะอย่างสมัยก่อนเจีวรก็หายากเครื่องตะ น, นาวก็หาหาหายากนะการใช้ ทีวอนใช้เครื่องนุ่มห่มต่างๆก็เราก็ใช้อย่างคุ้มค่าเพราะเรารู้สึกว่ามันหายากนะแต่สมัยนี้บางทีมันก็มีมากมีคนถวายมากมีคนหรือในแต่ละวัดก็มีคนนี้เยอะแยะมากมายบางคนถ้าไม่รู้จักพิจารณาก็จะเปลี่ยนบ่อยมากหรือว่าสะสมไว้มากมาก แต่ถ้าเราพิจารณาดูความเป็นนักบวชจริงๆเนี่ยท่านให้เราเป็นคนที่ที่มักน้อยนะที่สันโดษนะหรือว่าใช้ก็ให้ใช้ของนั้นก็ใช้ให้มันคุ้มค่าหน่อยนะอย่ใช้ซื้ยอไยด้ซื้อได้แบบนี้เนาะที่อยู่อาศัยของเราก็เหมือนกันเนาะเราก็อยู่กุฏินะอยู่สิ่งที่มันไม่ใหญ่โตเกินไปไม่มีความ อำนวยความสะดวกมากเกินไปมันก็เป็นการฝึกฝนตัวเรานะักฝึกฝนตัวเราเนะี่ยแหละให้เราเป็นคนที่อมักน้อยสนโดดไม่ต้องสะสมอะไรมากเรื่องพวกนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นจะอาจจะไม่ใช่เรามองเป็นเรื่องเรื่องวิถีชีวิตนะของพระที่อาจจะแตกต่างจากคารวา แต่ถ้าเรามองดูดีๆไอ้พวกนี้แหละเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนตัวฝึกตัวอบรมตัวขัดเก่าอยู่ไปในตัวเพราะในการประพฤติปฏิบัติธรรม น, นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมในรูปแบบการนั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือการสร้างจังหว ะ, ะมันก็เป็นการขัดเก่าทำให้เราเห็นเห็นกิเลส เห็นอะไรต่างๆไปในใจของเราก็เยอะมากนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมควรทาให้มากแต่จริงข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลาตัวเราที่ที่เยอะเหมือนกันนะออบางคนอาจจะติดในบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รู้ตัวแต่ก็อาศัยข้อวัดข้อปฏิบัติตัวนี้แหละนะที่ แต่ก่อนถ้าเราเป็นคารวะเราไม่ได้มาอยู่วัดเนี่ยเราก็ไม่เคยปฏิบัติแบบนี้นะนะพอเราได้มาปฏิบตัติมังก็ทําให้เราเห็นเห็นตัวตนบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่ในการกระทํานั้นๆ น, นนะนะในการกระทําก็ดีในคําพูดก็ดีในกิริยาต่างๆก็ดีเนะี่ยถ้าเราดูดีๆมันก็อาจจะมีบางอย่างแอบแฝงอยู่นะนะเราก็ต้องรู้ทันมัน รู้ทันมันว่าไอ้คนนั้นมันเป็นเป็นอัตราเป็นมานะของเราหรือเปล่าเานะีมันก็ต้องดูดีๆนะบางทีโดยเฉพาะบางทีความเก่งหรือว่าบางทีก็ความดีนะนะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะกลายเป็นเราดีเราเก่งนะเราแน่อะไรเงี้ยนะ มันก็คือตัวตนที่แอบแฝงเข้าไปแต่ถ้าเราพิจารณาโดย ด, ดีการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการละตัวตนหรือว่าการลดตัวตนพูดแบบนี้ก็พูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนหอให้เข้าใจปฏิบัติก่อนนะก็คืออะไรที่เป็นตัวตนเราก็ต้องละหรือเราก็ต้องลดลงไปก่อน แต่ที่จริงปลายทางจริงๆนะตัวสติปัญญาคือการเห็นว่าความจริงแท้ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตนเมื่อมันเห็นว่าเป็นความจริงแท้แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จริงการลดหรือการละมันก็มันก็ไม่ใช่ละแต่เป็นการมองว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงอันนั้นคือปัญญาที่ที่สูงขึ้นไปนะ แต่เบื้องต้นมันก็จะจับตัว น, นั้นเสียทีเดียวบางทีก็ไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เห็นอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นอันตตาเป็นมานะเป็นทิฏฐิที่เรายึดมั่นถือมั่นนะมันก็ต้องลดหรือต้องละไปก่อนนะมันจะมองว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเสียทีเดียวเลยมันยังไม่ใช่วิสัยเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกให้เห็นให้เห็นอะไรที่มัน ทำไปเพื่อสนองตัวตนนะสนองกิเลสตัณหานี่ยแหละเราก็ต้องฝึกรดฝึกละฝึกกรเดิกมันเนาะเมื่อเราฝึกฝึกรดฝึกละฝึกรกระเด้อมันเรื่อยๆไอ้พุทธเนี้ยมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มกุศลธรรมเพิ่มความเข้มแข็งของฝ่ายกุศลหรือเพิ่มความแข็งเข้มแข็งของฝ่ายที่จะทําให้ เป็นบารมีสู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละนะแล้วก็เพิ่มบารมีตัวนี้ไปเรื่อยฝึกฝนความเข้มแข็งพวกนี้ยไปเรื่อยต่อไปพอพ้นนี้มันมากขึ้นเรื่อยนะไอ้สิ่งที่เคยละยากสิ่งที่เคยติดมากมันก็จะถูกกันมีคู่ต่อสู้ที่เข้มแข็งขึ้นนะฝ่ายบวกที่ที่เข้มแข็งขึ้นก็จะเข้าไปละ ข้อไปรดข้อไปเลิกมันได้ง่ายขึ้นเจริตั้งสติปัญญามันเต็มรอบเนอยมันเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงมันก็มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วนะการกระทาต่างๆก็เป็นเพียงแค่กิริยาอาการเฉยๆแต่ไม่มีภพภูมิที่เข้าไปยึดติดนะไม่มีอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่น มันก็เป็นเพียงแค่สภาวะขันขันทั้งห้าที่มันทํางานกันนะทําที่เป็นรูปขันทั้งที่เป็นนามขันเขาก็ทํางานของเขาไปแต่ใจไม่ไม่ยึดติดถือมั่นอันนี้คือคือการฝึกฝนตัวเราเนา ะ, ะก็ให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนตัวเรานะให้ให้ดูตัวเราเป็นหลักนะอย่าไปดู น, อ, นอย่าไปดูสิ่งภายนอกมากนะสิ่งภายนอกเราก็ดูเพื่อเตือนตนนั่นแหละนะถ้าใครทำดีเราก็อนุโมทนาด้วยนะหรือเราก็เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัตนะิถ้าใครทำไม่ดีเราก็รูนะ้แต่เราก็ต้องไม่ต้องระวังอย่าไปตำหนิติชิ้นนินทาไปวิพากษ์วิจารณนะ์เพราะที่จริงพวกนั้นมาทำให้เกิดความฟุ้งซ่านของจิต หรือบางทีเกิดจิตที่เกิดความนิทยะเกิดจิตที่เกิดโทสะนะเกิดจิตที่นะมันเป็นทางอัตกโกนขึ้นมาแม้บางทีเราก็พูดถูกนะแต่แต่บางทีจิตมันก็จิตมันก็เสียความสมดุลไปแล้วฉะนั้นเราก็ลดเรื่องพวกนั้นมาเรามองเห็นตัวอย่างไม่ดีแล้วก็พิจารณากลับมาเตือนตนไม่ให้ทําแบบนั้นะ หรือถ้าเราพอบอกได้เราก็บอกกันไปนะแต่บอกด้อย่าไปอย่าไปแบบใช้คำพูดคำจาที่มันรุนแรงกั น, นเราใช้คำพูดที่เหมาะสมะใช้กิริยาที่สุภาพเพื่อเตือนกันอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกันทั้งการฝึกฝนตัวเราด้วยแล้วก็การช่วยเหลือเพือ่อนหรือหมู่คณะด้วยนะ เพราะพระพุทธเจ้าเองจริงๆท่านก็ไม่ได้ให้เราไม่ให้เราทิ้งนะไม่ให้เราทิ้งนะคนอื่นทิ้งสังฆะนะมุ่งแต่ประโยชน์ตนเสียอย่างเดียวนะเพราะที่จริงวิถีชีวิตของเราเนะี่ยมันเป็นการทั้งเกื้อกูลตัวเราเองแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นไปในตัวด้วยถ้าเมื่อที่เรารู้ตัวมีสติ การกระทํานั้นๆของเราก็จะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอการกระทํานั้นนั้นก็เป็นการช่วยฝึกฝนตนแล้วก็เป็นการช่วยให้คนอื่นเขาได้กลับมามองตนด้วยเนี่ยเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนนะควบคู่กันไปด้วยนะอันนี้แหละคือข้อวัดข้อปฏิบัตินะที่มาทีมันก็เป็น พูดพดไปก็เป็นเหมือนเชิงนามารมนะเพราะที่จริงในรูปประธรรมในแต่ละคนนะ่ะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องเอาไปพิจารณาเองว่าการกระทำอะไรของเราที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือเปล่านะหรือเป็นไปเพื่อความยึดติดถือมั่นหรือเปล่านะเราก็ต้องพิจารณาดูนะถ้าเราดูเราก็จะเห็นนะ เห็นแล้วก็ต้องแก้ไขนะอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องแก้ไขอะไรที่ดีก็ต้องก็ต้องทำให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในการปฏิบัติบางทีมันก็จะเห็นไอ้ที่ไม่ดีในจิตในใจของในจิตในใจเนี่ยมันเยอะมากเนาะบางทีความคิดไม่ดีความนู้สึกไม่ดีนะอคติกิเลสต่างๆตัณหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ วิธีการปฏิบัติธรทำนะมันก็จะทําให้เราเห็นแบบนั้นนะแต่เราก็ต้องนะอย่าไปเรียกว่ารู้สึกท้อใจรู้สึกว่าน่าดังเกียดนะกับจิต ก, กับใจนี้นะที่จริงมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติอะ่ะมันมันก็ต้องเห็นนะเห็นสิ่งต่างพวกนีน้แล้วก็ต้อง แต่เราจะทําไงให้มันข้ามอารมณ์พวก น, นั้นให้ได้นะเพราะที่จริงการเห็นธรรมจะได้ว่าเห็นกิเลสก็ได้นะมันก็ต้องเห็นกิเลสนี่แหละมันถึงจะเห็นธรรมนะถ้ามันจะมีแต่กุศลเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเนะี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะจริงจิตมันหมักหมมมันโดนกิเลสครอบงำมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วดังนั้นเมื่อเรามาฝึกฝนตนเนี่ยกิเลสมันก็แบบ แสดงปฏิกิริยาต่อต้านนะมาหลอกมารอกผุดขึ้นมาบ่อยมากนะแต่จริงถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นอาการของเขาอ่านะที่เขาย่อมแสดงขึ้นมาแต่หนะ้าที่เราเพียงแค่เห็นเห็นแล้วก็รักษาใจให้เป็นกลางนะเป็นกลางกับสภาวะคือว่าเช่นอกุศลเกิดขึ้นก็ต้องรู้ทันใจไม่สนองอกุศล แล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะแบบรู้สึกแบบเกลียดหรือโกรธที่มันมีสภาวะนี้ขึ้นมาเนาะใจเป็นกลางคือใจที่ไม่ไหลไม่เผอไปกับเขาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต่อต้านผักใสเขา <c oughs> แค่เห็นว่าเขาเกิดขึ้นมาเราไม่สนองเขาแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่มีค่าไม่มีราคาแล้ว เหมือนกับมือของเราัะไรนะเราก็เลือกได้มนะั้มือของเราเนี่ยจะไปหยิบจะไปจับอะไรนะเราก็สามารถที่จะไม่หยิบไม่จับมันก็ได้นะไม่มีใครบังคับให้เราหยิบใหเราจับนะใจก็เหมือนกันนะกิเลสมันก็แค่โชว์ขึ้นมาเฉยๆถ้าเรารู้ทันเราก็เพียงแค่ไม่จับมันหรือถ้าเผลอไปจับมันแล้วเราก็ปล่อยมันเสียนะี่มันก็ง่ายๆแค่นี้แหละนะแต่ เียแต่ว่าเราจะรู้ทันไหมว่าเราเผลอไปหยิบไปจับมันแล้วนะสติตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันใจที่เผลอไปหรือเปล่านะหรือเผลอไปแล้วเราก็มีสิทธินนะที่จะเลือกที่จะปล่อยที่จะวางมันก็ได้นะอันนี้คือมันทีภาวนาไปนะจะเห็นอกุศลเยอะแยะมากมายที่มันแสดงนะในจิตในใจนะแต่เราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องเออ มันก็เจอกันทุกคนแหละเราอย่าไปคิดว่ามันมีแต่เราเท่านั้นนะผมเองก็มีนะคิดว่าครูบาอาจารย์นะอื่นๆท่านก็มีเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เรามีแล้วเราจะผ่านมันได้อย่างไรเนะีนะ่ยต้องผ่านด้วยความใจที่เป็นกลางใจที่ตั้งมั่นไม่หลงติดมันหรือแม้แต่บางครั้งมันปฏิบัติบางช่วงมันก็มีแต่กุศลก็มีนะมันมีความสุขความสบาย คิดก็คิดในทางที่ดีนะมันก็มีเหมือนกันนะแต่บางคนก็หลงไปเชิงเป็นการนะเป็นพวกบ้าบุญก็มีนะอยากจะทำดีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะแต่บางทีก็อาจจะดื่มไปนะดื่มตัวแล้วก็อาจจะไปหลงในเชิงบุญเชิงกุศลมากเกินไปก็ก็ทำให้ละ ฐานการภาวนาไปก็มีนะอืมนี่เราเราจะทําดีเราจะช่วยเหลือใครเราก็ต้องทําด้วยสติด้วยปัญญานะไม่หมกมุ่นเกินไปเราทำํำนะก็ทําตามโอกาสตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปแม้มันเขาเรียกว่าภาษาภาษาพระนะั่นเรียกว่ามันเป็นเทวบุตรมารอย่างห น, นึ่งเป็นมารที่มาในรูปของ จิตใจเหมือนเป็นเทวดานะก็คือใจดีนะใจดีมากนะก็ไปหลงมากเกินไปก็ก็ไม่ดีนะนะ่ะมันเป็นเทวุตามาอย่างหนึง่งแต่จริงต้องใจดีต้องมีสติมากำกับอีกทีหนึ่งทาให้ความใจดีนั้ น, น, นมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเคลิมนมะแต่ทำก็ทำตามกาลเทศะนะทำแล้วก็ไม่หลงยึด ต, ติด ไม่หลงในความสุขนะบางคนทำดีแล้วมีความสุขไปพอใจในความสุขก็คือพอใจในผลนะก็เลยเคิมก็เลยเกิดความชอบใจแต่ในทางการประพฤติปฏิบัติจริงๆคือการที่เราโฟกัสที่เหตนะุการกระทำที่เหตุเราทำเหตุ ด, ดีแล้วนะผลจะเป็นอย่างไรเนะี่ย ก็เราก็ยอมรับมันนะบางทีเราทำเหตุดีแล้วผลาอาจจะเช่นเราตั้งใจไปพึกปฏิบัติทำเต็มที่ในแต่ละวันในแต่ละขณนะเนี่ยบางครั้งมันก็รู้สึกปฏิบัติแล้วดีสุขเบาสบายไม่ง่วงปฏิบัติได้เพลินแต่บางวันก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าเรามาดูโฟกัสที่เราทำเหตุของเราดีแล้วนะแต่ผลบางครั้งอาจจะออกมาไม่ดีทุกวันมันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราตั้งใจทำของเราเต็มที่ในแต่ละวันแล้วนะแม้บางครั้งผลออกมาไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฝึกฝนเรียนรู้ไปจนทั่งเราค่อยๆใจว่า ทำเหตุแบบนี้มันเกิดผลแบบนี้ทำเหตุแบบนี้เกิดผลแบบนี้อ๋อบางทีใจเราก็วางไว้ผิดเกินไปนะมันก็เลยทําให้ผลมันออกมาไม่ดีนะเราก็พัฒนาที่การปรับปรับตัวปรับใจให้และให้มันถูกต้องมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็ผลแม้มันจะออกมาดีเราก็เราก็ไม่หลงยึดติดมันนะนะเราก็เออ ดีแล้วก็วางไม่ดีแล้วก็วางนะการปฏิบัติธรรมนี่มันบางทีมันก็นี่ยหะนะอะไรก็ไม่เอานะนะนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานะแต่มันก็ต้องทำก่อนนะแต่มันก็ต้องทำดีก็ทำชั่วก็ไม่ทำนั่นะแหละแต่เมื่อทำแล้วก็ไม่เอานะไม่เอาตัวเราเป็นผู้ทำดีไม่ เ, เป็นตัวเราเป็นผู้ คิดไม่ดีนะมันมันสนุกตรงนี้นะมันสนุกตรงที่รู้ทันนะรู้ทันเมื่อไหร่มันจะเกิดตัวตนขึ้นมาเป็นผู้นั่นผู้นี่นะเราก็รู้ทันแล้วก็วางมันเสียวางมันเสียไอ้ตัวตนนี้มันมันเรียกว่ามันแยบคลายมากเลยนะมันแบบมันพร้อมจะมาแสดงให้เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะ สิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะมากการภาวนาเนี่ยมันเห็นเนี่ยเห็นเออมันจะไปยึดแล้วนะมันถ้าจิตมันเห็นตั้งแต่ตอนที่มันจะไปยึดเนี่ยมันก็สนุกดีนะเออพอเราเห็นเราก็ไม่ยึดนะเราก็ไม่จับมันแต่บางขณะมันก็ไม่ทันมันไปยึดก่อนก็ค่อยวางมันเนี่ถ้ามองดีๆนะโอ้ตรงนี้มันสนุกแต่สนุกที่เห็นไง เห็นปฏิกิริยาของอาการของจิตที่มันโงมันหลงบ่อยมากนะในแต่ละวันจะยิ่งภามนาไปเรื่อยจะเห็นจิตที่มันหลงเยอะมากนะหลงทางตาเอาแค่มองเห็นมันก็สนใจแล้วเหรเนี่ยหรือแค่มองเห็นมันก็เกิดความชอบความชังแล้วเหรเนี่ยโอ้มันมันเร็วมากพอชอบชังไม่ทันค่อยไปปรุงแต่งอีกแล้วแล้วเนี่ยโอ้จิตมัน คิดปรุงแต่งเร็วมากนะแต่ถ้าเราเห็นโอ้ตานี่มันก็ตามันก็ทําให้มันไหลไปนอกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหตุนะตาไม่ใช่ตาไม่ใช่ตัวกิเลสนะเอตามันเป็นเพียงแค่เหตุให้เห็นเฉยๆแต่ไม่ไม่ใช่เนี่ยแต่มไม่ใช่กิเลสจริงๆกิเลสจริงๆมีอยู่ในใจเนาะถ้าเห็นแล้วไม่ปรุงแต่งต่อมันก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าเห็นแล้วไม่รู้ทันก็เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดปุงแต่งเกิดยึดมั่นถือมั่นอีกเนาะโอตานี่มันก็เออเป็นสิ่งที่เราต้องออคอยระวังมันนะเนาะหูก็เหมือนกันนะเนาะหูเนี่ยมันก็เร็วนะออได้ยินเสียงอะไรนะก็ไปสนใจออไปตีความ ไปวิเคราะห์วิจารมันเนาะเออหมูนี่มันก็แต่สายเนาะนะเราก็ต้องรู้ทันโอ้หมูมันไปเกิดความชอบความชังขึ้นมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคิดตุงแต่งในใจแล้วเนาะไม่มีใครทํานะมันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทันมันหรือเปล่านะนะลิ้นก็เหมือนกันกินอะไรเข้าไปนะ สิ่งที่ใส่กันแต่ละคนจะแตกต่างกันบางคนชอบหวานบางคนชอบจืดบางคนชอบเค็มบางคนชอบเผ็ดอะไรแตกต่างกันแต่จิตมันก็จะปรุงแต่งของมันเองแหละอาหารแต่ละคำํำนะเราก็ไม่ได้กินเฉยๆเนาะลอกสังเกตตัวกินไปชอบไปกินไปคิดไปหรือเปล่าก็มีนะ บางทีเราก็ดูตั้งแต่ก่อนพิจารณาอาหารหรือขณะที่ฉันอาหารนะแล้วก็พิจารณาหรือที่จริงฉันกลับมาแล้วก็พิจารณาเตือนตัวเองในมื้อต่อไปนะั่ะนั้นบทพิจารณาอาหารก็มีบทบางทีก็คือขณะที่ก่อนฉันนั่นแหละแล้วก็พิจารณาขณะที่ฉันเราก็พิจารณาขณะที่ฉันเสร็จแล้วเราก็พิจารณาอื เพราะที่จริงพวกนี้มันก็คือพิจารณาให้คล้ายเตือนตัวเองนะบางครั้งหลงไปก็ต้องแก้ไขนะถ้ารู้ทันตอนนั้นที่มันกิเลสเกิดขึ้นมามันก็ดีมากๆเลยทวารนะทั้งหกโดยเฉพาะทวารทางใจเนี่ยมันอยู่เฉยมันก็พุทมาคิดนะไอ้พวกนี้มันก็สนุกนะถ้าเราดูดีมันสนุกที่มันเห็นว่าจิตที่จริงมันไม่ใช่อยู่นิ่งเลย ที่พระพุจ้าท่านพูดว่าจิตเหมือนกับลิงเนี่ยมันเป็นของจริงจริงนะจิตของคนคล้ายๆเหมือนกับลิงมันไม่อยู่นิ่งมันวอกแวกมันส่อสายมันมันไม่สงบหรอกนะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมันจะปรุงแต่งหรือมันจะไม่สงบ แต่ถ้าเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการไม่ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรกันมากนะก็ดูมันไปเห็นเราภาวนาไปก็เห็นเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็ยึด ต, ติดอะไรต่างๆมันก็ถ้าเห็นไปของมันเฉยๆเนี่ยมันก็มันก็สนุกนะสนุกในการเห็นเป็นอาการนะแต่ถ้าเรา ไปยึดเป็นตัวของเราเนี่ยมันมันจะทุกข์มันจะแบกบมันจะหนักนะแต่ถ้าเห็นเป็นเพียงแค่อาการเฉยๆเนี่ยมันก็มันก็จะเบามันก็จะสนุกเออเองจะเองจะปรุงจะแต่งก็เรื่องของเองนะแต่เราเราก็ไม่ไปเล่นกับกับแกด้วยนะคล้ายๆเหมือนกับหมาเนาะนี่ที่นี่ก็มีหมาบางตัวก็ชอบมาหยอกมาล้อมาเล่นนะ มันเล่นก็เล่นของมันไปนะถ้าเราไม่ไปเล่นกับมันด้วยเนี่ยมันก็เลิกเล่นเองจิตมันก็เหมือนกันมันก็แสดงอาการของมันไปนะแต่ถ้าเราไม่ไปเล่นกับมันด้วยมันก็ค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกไปแต่จริงมันก็มีอีกหลายตัวมากนะที่มันจะหมุนเวียนมาแสดงแต่พอเราไม่เล่นไม่อะไรยุ่งกับมันจิตมันก็จะค่อยๆสงบขึ้น จิตการปรุงแต่มันก็จะน้อยลงนะมันก็จะเกิดบ้างนะแต่ความสงบมันก็จะเข้ามาแทนที่นะแต่ก็ต้องความสงบเราก็ต้องรู้ว่ามันสงบจะไปจิดในความสงบนะสงบเราก็รู้ว่าสงบแต่เราก็ต้องจเจริญสติต่อนะก็ต้องอยู่กับกรรมฐานที่เราทำต่อนะพอมันไม่สงบเราก็รู้ทันจิตนะพอ พอจิตมันสงบเราก็รู้ทันกายรู้ทันกรรมฐานที่เราทํามันก็จิตก็จะมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ไปเรื่อยอยู่กับกรรมฐานที่ทําอยู่กับการเท่าทันจิตที่เผลอไปคิดเออนะมันก็จะสรดับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่สภาวะแต่แต่ละขณะที่มันจะเกิดขึ้นจริงแบบนี้นะอันนี้เราก็มองไปนะภาคการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ เป็นเรื่องที่สนุกเนาะให้พวกเราทําด้วยความด้วยความสนุกสนานนะแต่ไม่ใช่สนุกสนานแบบทางโลกเนาะเป็นสนุกในการที่ได้เห็นกิเลสนะได้เห็นกระบวนการปรุงแต่งของจิตนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องอาศัยนะข้อวัดอาศัยสิกขาบทอาศัยศีล น, นี่แหละเป็นตัวตัวประคองไปด้วยนะ เป็นตัวเตือนตัวเองไปด้วยเป็นตัวเอาไว้พิจรารณาบ่อยบ่อยด้วยมันก็จะเสริมกันทั้งทั้งศิกขาแล้วก็ทำเนาะมันก็จะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของของพวกเราทุกคนนะถ้าเราเอาศึกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าชีวิตเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็โดยการอุทิศชีวิตนี้นะให้กับ ธรรมะนะแล้วแต่ธรรมะจะจัดสรรให้เจออะไรเราเราก็ต้องยินดีพอใจที่จะเจอนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกายหรือว่าอุปสรรคอย่างต่างๆภายนอกก็ดีเราก็มองเป็นเรื่องที่เออธรรมะก็จัดสรรให้เราได้เรียนรู้นะนะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีนะความ นะสิ่งต่างๆที่มากระทบก็ดีไม่ว่าจะเป็นนินทาสรรเสริญก็ดนะีการได้รากเสื่อมรากก็ดนะีพวกนี้มันเป็นมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นเลยนะเป็นธรรมจะจัดสรรให้เราทั้งนั้นเลยถ้าเรามองดีๆนะมันก็จะทำให้เราเกิดสติปัญญามากขึ้นอันนี้แหละก็เป็นชื่อว่าเราได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเดินตามความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการทาเช่นนี้แล้ก็ชื่อว่าเราได้ ได้เป็นผู้ที่อุทิศนะชีวิตให้กับนะพระพุทธเจ้านะชีวิตอุทิศชีวิตให้กับพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ด้วยถ้าเราทําแบบนี้นะมันก็ชีวิตของเราก็จะดีงามขึ้ น, นเรื่อยๆนะไม่ทําด้วยความเห็นแก่ตัวนะกิเลสตัณหาต่างๆมันก็จะค่อยดุจดุยไปเรื่อยๆนะจิตที่สะอาดจิตที่สว่างจิตที่สงบมันก็จะกลับเข้ามานะ ที่จริงมันก็มีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันมันโดนกิเลสตัณหามันเบียดมันครอบงาไปนะแต่จิตที่สะอาดสว่างสงบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วมันก็จะกลับเข้ามาเป็นปกตินะก็ฝากพวกเราไว้นะเช้าวันนี้นน